วิธีแต่งตั้งและกรร ม, มวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงขอร้องภิกษุครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้ทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้วก็พึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นผู้แจกของเคี้ยวนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า สงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นผู้แจกของเคี้ยวท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นผู้แจกของเคี้ยวท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้แจกของเคี้ยว สงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้